ก็ความสุขความเจริญจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมพระโพธยญาณในวันนี้ก็คงเป็นการพูดถึงอุเบขาบารมีในประเด็นต่อไปประเด็นที่สองนั้นท่านเรียกว่าพรหมวิหารุเบกษาก็อุเบขาในพรหมวิหารทั้งสี่ประการก็เป็นองค์ธรรมที่คุ้น แต่ว่าปฏิบัติยากมากเพราะอะไรเพราะว่าในความเป็นมนุษย์เราเนี่ยมันมีความเป็นเราเป็นเขาเพอเกิดเป็นเราเป็นเขาขึ้นมันก็มักจะมีความคิดในลักษณะที่เหมาโหลคือเราดีเขาไม่ดีพวกเราดีพวกเขาไม่ดี มันก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่เราเรียกว่าหยินดียินรายสะสมไว้ภายในจิตแล้วก็กระจายแนวความคิดเหล่านี้ออกไปโดยลาดับสิ่งที่น่าเป็นห่วงถ้าเราสังเกตทิศทางการเมืองของโลกนะฮะเราก็หลายปีมาแล้วไม่ใช่ว่าวันสองวัน มันใกลๆกับโลกมันจะย้อนกลับคือความคิดแนวเผ่าชนเผ่าต่างๆเนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงขึ้นในส่วนต่างๆของโลกพอเราศึกษาก็ไปดูไม่ว่าที่ไหนก็ตามมันมีลักษณะเผ่าพันธ์คือชนหลายเผ่าพันธ์มาอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็เกิด ประสานประโยชน์ไปลงตัวหรือขัดแย้งกันในเรื่องอะไรก็ตามในสุดปัญจะเกิดความแตกแยกกันรุนแรงนะเช่นในเชโกสโลวาเกียซึ่งแตกออกไปเป็นประเทศย่อยๆต่างๆเดิมก่อนมันก็เป็นประเทศเดียวแต่ถ้าเราสามลึกไปว่าทำไมถึงแตกแยกล่ะเพราะว่าชนเผ่ามันต่างกันเราไปดูในใกล้ๆบ้านเราอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเรื่องตีมอที่อาจแเจ็คอะไรต่ออรตามที่จริงมันเรื่องชนเผ่ากดเหล่านั้นก็เริ่มข่าวของความแตกแยกแล้วก็จุดจบไม่รู้จะเป็นยังไงเอามาฟิลิปปินส์ก็เริ่มไกลๆกันแล้วแล้วก็เข้าไปแถวเปากัวนิวกินนีแถวมาสมูดแปซิฟิกต่างๆแถวอะไรล่ะิจิแถวโซโลมอนแถวอะไรต่ออรางๆเนี่ย มันจะออกมาแนวนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของของคนนะฮะของสัตว์โลกพอมาเกาะกลุ่มกันมากเข้าแล้วในที่สุดมันสะสมความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วในตรงนั้นแหละมันมันจะเห็นอย่างหนึ่งว่าความคิดเราจะลำเอียง จะหนักไปในทางอาคติจนบางทีเนี่ยเป็นปกติวิสัยและเราก็ไม่รู้ตัวแต่มาเคยไปวิเคราะห์ให้ในที่ประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติฟังเมื่อปีไหนรู้สึกสามเก้านะสืบสารวัฒนธรรมปีสืบสารวัฒนธรรมเรามีอยู่สองปีสามเก้าสี่ศูนย์คือบอกว่าสังคมไทยเองเนี่ยจะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่มีวันนะร แต่ที่จริงนี่เราแบ่งแยกไม่มหาศาลมากๆเลยนะแบ่งแยกแยแรงแล้วก็เป็นภาคภาคแล้วก็เป็นจังหวัดเป็นจังหวัดจนเป็นอำเภอเป็นตำบล น, นะฮะมันย่อยไม่ใช่เล่นเละทั้งความแตกแยกจึงมีให้ได้ยินได้ฟังตลอดระยะเวลาเราแตกแยกในตอนไหนก็ต่างถ้าเราอ่านหนังสือเมื่อประมาณสักห้าหกสิบปีที่แล้วโดยเฉพาะพวกนวนิยาย พวกการพูดถึงคนในท้องถิ่นภูมิภาคของประเทศไม่ว่าส่วนใดก็ตามแลยลองสังเกตว่ามันมีความรู้สึกคล้ายๆกับว่าคนไทยเนี่ยมันอยู่แถืหอวขวกเจ็ดจังหวัด แ, แถวๆนียนะฮะอยู่ตรงกลางล้อมรอบกรุงเทพมหานครอยู่ข้างโน้นก็ไปแถวยุทธยาแต่แถวเนี้ยไ ม, ไม่ก็ไม่ไกลอะไรอะไร แล้วถ้าขึ้นไปทางอีสานก็เป็นลาวไปแล้วขึ้นไปทางเหนือก็เป็นแก้วไปไปทางใต้ก็เป็นแขกไปนะภาคกลางที่เลยเลยไปก็เนอเนอไปมันจะรู้สึกแบ่งแยกแล้วค่อนข้างจะล้อเลียนได้ทั้งยังมีคาเรียกเฉพาะถิน่นเดี๋ยวเพิ่งเลิกไปเวลานี้ก็ยังปีประปรายนะที่เล่นมากเว้นนี้ออกไปทางปักใต้พวกสตอ สตอสามัคคีสต อ, สตอนั่นสตอนี้ก็ว่ากันไปทางภาษาอังกก็เรียกในทานองดูมินต้องทานองแบ่งแยกแล้วจนออกมาถ้าเราลองลองดูอ่านไอไะไรล่ะนวนิยายต่างๆที่กันเขียนกันเแม้แต่นำไปแสดงเป็นภาพยนตร์เป็นละครเราจะพบว่าตัวเอกตัวสำคัญตัวนายเนี่ยจะเป็นคนภาคกลาง ตัวคนใช้ตัวเสนาตัวอะไรต่วรัวไหนเป็นคนบ้านนอกคือหมายความมานอกจากเขตพื้นที่เนี่ยส่วนมากมาจากภาคอีสานอภาคเหนือแล้ต่อไปก็เป็นภาคใต้มันก็มีลักษณะอย่างนั้นนั่นคืออะไรคือความรู้สึกที่มันสะสมในแต่ละวันเนี่ยมันสะสมจิตสันดานโดยสะสมเป็นเราเป็นเขาแล้วก็เป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็รักเรารักพวกเรา ไม่พอใจเขาไม่พอใจพวกเขาเพราะงั้นอาการที่ปรากฏในโลกในสังคมทุกส่วนนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะที่ใดท่งแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะนั่นเองเออส่วนใหญ่แล้วก็จะออกมาในรูปที่เรียกว่าตัดสินไว้ก่อนมาความถ้าพวกเราก็ถูกไว้ก่อนถ้าพวกเขาก็ผิดไว้ก่อนเคยสังเกตไหม สังเกตเช่นสมมติว่าลูกเราไปประพฤติไม่ดีอย่างนั้นอย่าง น, นก็มีครูบ้างมีคนอื่นบ้างมีตำรวจบ้างมาบอกโอ้ยปกป้องทันทีเลยลูกถูกบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างเป็นพระอระหรันต์เลยแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะมันสะสมมาลูกฉันดีลูกฉันดีลูกฉันดีลูกฉัน ด, นดีจนเป็นอุปาทานเป็นตันหาเป็นอุปาทานเป็นพบอยู่ภายในจิตรู้สึกว่าลูกฉันดี ลูกชันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นปกป้องแก้ต่างให้เสร็จเลยทีนี้เมื่อใจไม่ยอมรับเนี่ยพอลูกของเราถูกลงโทษถูกตัดสินแล้วก็เรียกร้องความความเป็นธรรมทั้งทั้งที่เราไม่มีความเป็นธรรมให้คนอื่นนะฮะแต่เราก็เรียกร้องความเป็นธรรมจา ก, กคนอื่นอันนี้คือปัญหาสังคมที่เป็นปัญหาใหญ่สุดๆก็คือปัญหาเรื่องความลําเอียงรี่เรียกว่าเป็นปัญหาเรื่องอคติ ไม่ว่าเรื่องสารเรื่องอัยการเรื่องราชทันเรื่องตำรวจเรื่องอะไรก็ตามให้เราสังเกตนะเราจะรู้สึกอ่อนไหวเพราะเรื่องของอาคติมันจะผูกขาดผูกขาดความถูกต้องที่เราพูดถึงการตัดสินแบบอัตวิสัยคือเอาตัวเองเป็นศูนย์ในการตัดสินถ้าคนอื่นแล้วก็สันนิษฐานไว้ก่อนนไม่ดี บอกพวกตัวเองก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าดีนั้นก็เกิดมาจากความยินดียินร้ายที่สะสมสะสมสะสมสะสมเนี่ยมันจนเป็นก็เรียกอาสวะสมุทไทยอย่างเนี่ยแล้วก็กลายเป็นความยึดติดอย่างนั้นจนถึงกับที่เราพูดถึงอะไรล่ะทิฏฐิพระมาณาเจ้า วันก่อนขอลำนิดใหญ่สยามรัฐก็เขียนว่าทิฏฐิพระมานะพรามนะฮะมานะพราม์มันไม่ไม่เี้ยมีมานะเจ้าขัตติโยหังอิติมาโนมานะบรโรเป็นกษัตริย์คือพราม์เนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็มันก็ทิฏฐินะฮะคือพราหม์เนี่ยมันโดยเฉพาะสมานะพราหม์เนี่ยมันความเห็นมันที่ขัดแย้งมันขัดแย้งเรื่องทิฏฐิขัดแย้งเรื่องทิฏฐิมากกว่าขัดแย้งในเรื่องมานะ เพราะว่าสถานะของท่านเนี่ยสังคมก็ยอมรับนับถือนั่นก็แตกแย ก, กแยกกันเป็นทิฏฐิฉันทิฏฐิหกสิบสองเมื่อกทิฏฐิของพวกพรามนั่นก็คืออะไรก็คือการสะสมอยู่ภายในใจแล้วก็ฉันเองคือถูกความเห็นของฉันนั่นก็คือถูกต้องความเห็นคนอื่นก็ไม่ถูกต้องเพราะในการที่จะไปมองโดยเหตุด้วยผล แล้วก็วินิจฉัยตัดสินคนอยู่ที่การกระทาเนี่ยมันพูดง่ายนะฮะแต่ทำยากมันกลายเป็นปนัญหาภูเขาเลยเพราะเดี๋ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมม์มันฝากฝังตั้งแต่เรียนอนุบาล น, นะอนุบาลก็ฝากประถมก็ฝากมัธยมก็ฝากเรียนอาชีวะก็ฝากทำงานก็ฝากเลื่อนตาแหน่งก็ฝากนั่นคืออะไร คือพวกเราดนะีพวกเราถูกต้องพวกเราดีพวกเราเหมาะสมคนอื่นไม่เหมาะสมนะใครขึ้นมาก็ไม่ดีทั้งนั้น น, ะนอกจากพวกเราแล้วมันกระจายนะฮะเป็นพักเป็นอะไรแต่อะไรลองสังเกตเอเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะเราจึงพบพระพุทธเจา้าจะเน้นที่ตัวเมตตาแทนที่จะเน้นที่เบกขานะฮะเน้นที่เมตตาคือหมายความมาต้องกระจายความรู้สึกคนในได้แต่ก่อน เราจะกระจายความรู้สึกว่าจากเราเป็นกับเขาเนี่ยทำยังไงว่าเราเขาในช่วงแรกเนี่ยเราเขาพวกเราพวกเขาทํายังไงในช่วงแรกยอมรับนับถือสถานะของการและกันเราไม่ร่วงละเมิดกันยอมรับสิทธินในชีวิตของเขาทรัพย์สินของเขาครอบครัวของเขาการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขา ถ้าเราจะสัมพันธ์กับเขาต้องออกมาในเชิสงสร้างสรรค์เขาเองก็คงเป็นเขาเราก็คงเป็นเรานะฮะช่วงแรกออกตรงนี้ได้ก่อนมันก็เป็นความคิดที่นำไปสู่หลักการอยู่ร่วมกันโดยมีกฎเกณฑ์มีกติกาในสังคมเราอาจจะพูดว่ากฎหมายก็ได้พูดว่าศีลก็ได้นะครับ แ, แต่เรามองโดยเนื้อหาแล้วที่จริงศีลกับกฎหมายเป็นเรื่องเดียวกัน เียแต่ว่ากฎหมายมันหยาบกว่าศีลเท่า น, นั้นเองแต่คนจะเข้าถึงศีลแล้วจำนวนศีลจะไม่ไม่มากแต่ว่าจะครอบคลุมพฤติกรรมที่ถูกต้องํากฎหมายไ้ด้วยเซนสมมติว่าเราหนักแน่นอยู่ในศีลห้าอย่างลึกซึ้งทั้งแนวกว้างแนวลึก น, นะกฎหมายอาาได้รับการปฏิบัติเองโดยอันตโนมัติโดยไม่จาเป็นจะต้องรู้ขาบัญญัตว่ายัางไงบ้าง เหมือนศีลจึงประนีตกว่ออากฎหมายถ้าเรามีความรู้สึกคือไม่ยินดีหินไร้มากเกินไปแต่ว่ารู้สึกว่านั่นคือเรานั่นคือเขาแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีสถานภาพองคกันแายกันไม่ลงด้เหมือนกันจากนั้นก็กระจายความรู้สึกเรากับพวกเราให้ออกไปให้ใ ห, ให้กว้างกว้างไปโดยลำดับ นะเช่นว่าในบ้านเนี้ยก็มีแต่พวกเรามีเรากับพวกเราสำนักนี้สำนักงานเนี้ยกรมเนี้ยที่จริงก็มีเรากับพวกเราวัดเนี้ยก็มีเรากับพวกเรากระจายออกไปศาสนานี้ก็มีเรากับพวกเราจนถึงก็ไปเรื่อยๆนะกระจายเนี้ยของเราที่จริงโครงสร้างทางศาสนานี่ดีมากเพราะว่ามันเป็นผลมาจากประสพันยนุทธญาณ พระเจ้าทรงสแสดงความจริงที่สมบูรณ์เอาไว้แต่ว่ามันก็อาจจะสูงเกิดไปหน่อยกับสภาพความคิดที่เป็นเราเป็นเขารุนแรงเนี่ยเพอถ้าเราพัฒนาจิตขึ้นไปจนขยับไปเนี้ยขนาดว่าเรากับพวกเราเนี่ยขยายเรากับพวกเราออกไปได้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้เนี่ยแต่ยันที่บอกว่าเหมือนกับการเข็นครบขึ้นภูเขาเลยเนี่ย กวนก่อนไปในสถานที่หนึ่งพระก็ไปเห็นในกิจกรรมต่างๆก็บอกว่าน่าจะส่งเสริมสนับสนุนเพราะว่าตรงนี้จริงๆก็คือเป็นทรัพย์สินของภาษาศาสนานั่นแหละคือบอกความพูดง่ายแต่มันทำยากเพราะว่าคนไม่มีความรู้สึกกว้างขนาดนั้นหรอกสังคมเราเนี่มีความคับแคบ เราลองสังเกตว่าถ้าเรามองเป็นองค์รวมใครทำก็ได้นะถ้าเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแล้วก็อนุโมทนาาสาธุกการเขาก็ททำนั่นเองเพราะว่าพระชาติบ้านเมืองก็ของเราศาสนาของเราพระสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราใครทำก็ส่งเสริมสนับสนุนกันไม่ขัดขวางไม่ไดิดรอนไม่ตัดรอนกัน แต่ว่าเพราะไอความรู้สึกเป็นเราเป็นเขามันก็มีคนอยู่พวกหนึ่งที่มือไม่พายแล้วท้าราน้ําเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดริษยามันเกิดแข่งดีมันเกิดหวาดกลัวคนอื่นจะเด่นจะดังจะเหนือตนเองมันก็มีพฤติกรรมในแนวที่ออกมาในรูปของการขัดขวางดิตรอนตัดรอนความรู้สึกลึกๆ ก, ก, ก็คือว่าเป็นเราเป็นเขา จากถ้ายังเป็นเราเป็นเขาอยู่เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรหรอกแม้ในวัดเดียวเนี่ยก็เอาไม่อยู่เลยอย่างเป็นเราเป็นเขาพวกเราพวกเขาภาคเราภาคเขาจังหวัดเราจังหวัดเขาเล่นภาคเล่นพวกเล่นเพื่อนกันอุตรุดไปหมดเลยตกลงว่ามันก็เกิดความรู้สึกแบ่งแยกเราลองสังเกตว่าแนวคำสอนในพระพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าจะเน้นเรื่องสามัคคีธรรม ภาสามาื่อคิดทำนั้นต้องเป็นความรู้สึกระวังเรากับพวกเราระว่างเรากับเขาเนี่มันยากหน่อยเรากับเขาเป็นไปรูปสวัสดิการไม่ใช่คือรูปสวัสดิภาพไม่ใช่รูปสวัสดิการแต่ถ้าเรากับพวกเรามันจะเกิดลักษณะของสวัสดิการสวัสดิการคือสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือคือกูลกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้อบอ้อมอารีเ อ, อ่อเพื่อเผื่อแผ่กัน าการจะขับเคลื่อนจิตเข้าสู่เบขาได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่เมตตาต่อกันแล้วเบขาจะกระจายได้นะจะกระจายออกไปตามกลุ่มคนต่างๆก็เท่าที่กระจายได้นะคือบมายังมองว่ามันอาจจะไม่ต้องไกลมากหรอกเพราะจริงๆเนี่ยเราสัมผัสกับคนไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่จะสมมติว่าพระภายในวัดก็เมตตากันภายในวัดได้ได้ พราะเราจะไปเกี่ยวข้องอะไรกับใครที่ไหนเนี่ยทีจริงมันมีน้อยนะแล้วก็พอเราเป็นองค์กรต่างๆก็เอาเฉพาะหน่วยเฉพาะกรมกองก็เราเฉพาะจะอพนแนกเฉพาะฝ่ายเฉพาะอะไรอกองอะไรขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกลมแล้วขย า, ายกลมใกล้ชิดขึ้นไปเรื่อยก็ขยายไปอย่างนั้นแหละมันไม่ใช่ทำได้ง่ายแมตานั้นมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์ หมายความว่ามองเป็นสเปสตาแสดงที่ว่าเนี่ยเป็นพวกเราพอพวกเรานั้นความรู้สึกที่จะแบ่งแยกหรือความรู้สึกว่าเราทนนั้นถูกต้องนะคนอื่นไม่ถูกต้องมันก็ลดลงไปเพราะยังไงเขาก็พวกเราเหมือนกันมันจะเกิดอาการประนีประนอมจะเกิดการประสานประโยชน์กันเพราะลักษณะของเมตตานั้นก็จะทำหน้าที่ขจัดพยาบาล กาจัดกามราคะกาจัดความรักกาจัดความรักในฐานะเป็นครอบเป็นครัวคือหมายความว่ามันลดลงทั้งกิเลสประเภทโลภะและก็ประเภทอาประเภทโทสะทีนี้ถ้าเราเมตตาเป็นฐานได้เนี่ยพอเขาประสบความทุกข์เนี่ยเราจะเกิดกรุณาต้องการจะมีส่วนร่วมต้องการจะแบ่งแบ่งปันต้องการจะบรรเทาความทุกข์แก่เขาเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันอย่างน้อยที่สุดเนี่ย รุ้สึกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไอลักษณะของการุณาพอกว่เเาเกิดขึ้นมาอย่าทำหน้าหน้าที่ขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนไม่มีการกระทำด้วยกายไม่มีการพูดหรือวาจาไม่มีการคิดต่ใจมันก็เดินไปถึงใจนะฮะเพราะว่าการุณามันทำหน้าที่สลายวิหิงสาที่ใจและในขณะเดียวกันก็ ไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจยเพราะว่าเราเข้าใจในกฎเกณฑ์ของกรรมซึ่งแสดงว่าอาการของเบียขามันก็เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งจนว่าคนที่เราต้องการจะช่วยเหลือก็คือกูลมันเทาภัยอันตรายให้แก่เขาแล้วเอาก็จริงเราก็ช่วยไม่ได้เราก็เป็นไปตามกรรมของขอเราก็ทำใจคือไม่ให้เกิดความสุขทีนี้พอมาถึงมุทิตาเนี่ย มันค่อนข้างทํายากขึ้นแต่ว่าจากพื้นฐานที่เรามีความรู้สึกเป็นมิตรกับเขาคือเมตตากับเขาเนี่ยคือตามปกติแล้วมนุษย์ถ้าไอความเป็นเราเป็นเขาความความเป็นเรากับพวกเราไม่หนักแน่นพอเนี่ยเวลาอีกฝวายหนึ่งเขาได้ดีแม้แต่พี่กับน้องเราสังเกต น, นะฮะพี่น้องเนี่ยก็ริษยากันได้เอาผัวเมียบางทีริษยากันได้นะ คนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้คนหนึ่งเช่นสมมติเราเป็นข้าราชการด้วยกันคนหนึ่งได้รับเลื่อนชั้นเงินเดือนคนหนึ่งไม่รับเลื่อนลึกๆมันก็มีริษยาอยู่เพราะในเมตตาจึงต้องมีสูงความรู้สึกเป็นมิตรจึงต้องมีสูงจึงไปสลายความรู้สึกริษยาได้ถ้าไม่งั้นก็คงไม่มีข่าวการค้องร้องการแย่งสมบัติระวางพี่น้องจะถึงมันทีฆ่ากันตาย นะครานตามกันมาแท้ๆร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาช่วยเหลือกันมากมายก่กองมาถึงจุดหนึ่งมันพลังของมุทิตามีไม่พอจิตใจมันอ่อนไหวไปตามแรงริษยาซึ่งมันอยู่ในสต็อกของจิตที่มันเยอะเหลือเกินนะเพราะในริษยาเนี่ยเราจึงเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏในบ้านในเมือง หรือ้าเรามองกันด้วยความเป็นธรรมเช่นสมมติเลือกตั้งหอืเลือกตั้งผู้ว่ากรทอมอเนี่ยเราดูด้วว่าใครที่ทําประโยชน์ให้แก่กรทอมอได้ดีที่สุดมันก็ดูตัวให้ดูผลงานในอดีตของเขาดูความรู้ความสามารถดูฝีมือดูประสบการณ์ของเขาในอดีตนะ่ะอนาคตเราไม่รู้หรอกแต่ว่าคนที่ทํางานใหญ่ได้เนี่ยทํางานเล็กสบาย คนที่ทํางานเล็กได้ในงานใหญ่ก็ไม่แน่งานคนที่ทํางานกว้างได้เนี่ยงานแคบเนี่ยทําสบายแต่คนที่ทํางานแคบได้ในงานกว้างไม่แน่เหมือนกันเด็กนั้นที่จริงมันมันมันเหมือนกับคนอะไรล่ะมันเหมือนคนยกน้ําหนักร้อยกิโลได้เนี่ยน้าหนักสิบกิโลสบายมากเลยนั่นก็เป็นสูตรที่วิธีคิดง่ายๆแล้วเราก็มุติตากับเขาอ่ะใครก็ตามที่ควรจะ ได้โอกาสทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้เราก็ส่งเสริมสนับสนุนเขาโดยไม่จําเป็นว่าเราได้ได้อะไรหรอกแต่ก็อยากจะเห็นว่าคนเหล่าเนี้ยมีโอกาสให้โอกาสเขาได้ทําประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตรงนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือวันก่อนเนี่ยไ ป, ปรัตคาถาในงานศพของอาจารย์สุชีพปุญญาโนภาพแล้วมานั่งนับ คือไปอ่านประวัติกันตั้งก่อนนั่งประวัติว่าเออช่วงตรงนี้ที่จริงเนี่ย้ายุคสมัยตรงนั้นเราคิดจะส่งเสริมสนับสนุนท่านรูปนี้ขึ้นมาเพราะว่าเก่งมากๆนะเด่นมากๆเลยก็เลื่อนท่านใเป็นท่านราไฎ่เลยเลื่อนท่านเป็นท่านเทพไปเลยเพื่อจะเป็นตัวฝักดันเพียงหนึ่งคือไม่กล้าสึก คนเราถ้าปล่อยสมณศักดิ์สูงเนะี่ยเขาไม่ค่อยกล้านะฮะก็ไม่คือไม่กล้าคิดสึกแล้วงานมันไปปลูกมัดเอาไว้ทําไปทํามาลืมจนแกไปเองเป็นวิธีการในการสร้างคนอย่างหนึ่งคือเอางานไปมัดทันไว้เอาอะไรภาระรับผิดชอบต่างๆไปมัดทันไว้แล้วก็ต้องทำมันสลัดไม่หลุดนะฮะในที่สุดเราก็ได้คนเอาไว้เพื่อช่วยปรสาชนะเราะั้นวิธีการตรงนี้เราลองสังเกตว่าแม้แต่ว่ารสมเด็จประมาทสมณะเนี่ย ทรงประุดแค่ห้าพันาราชการที่ห้ากราบเลยกราบด้วยเป็นจางกับบดิตเนี่ยท่านตกพระไทยนะฮะเพราะว่าเป็นพระเชษฐาอายุ ก, ก็ห่างกันแล้วก็ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินฮะพระองค์เองก็เป็นราษฎรด้วยแล้เป็นน้องด้วยนะะแล้วก็ท่านก็กราบอายุ ก, ก็ห่างกันเยอะเลยก็ตัดสินพระไทยตั้งแต่ขณะนั้นเลยว่าจะอยู่ เพื่อไม่ให้พี่ชายในผิดหวังพี่ชายซึ่งเป็นประชาเป็นดินด้วยในผิดหวังเอท่านไปอยู่ก็ท่านก็กกทํางานมาได้นี่ก็คืออะไรก็คือว่าด้วยการนี้ท่านมีมุติตาที่พระอนุชาอยู่ได้ทั้งสามราษาเน่ไม่ใช่เล่นนะตามบรรษาเจ้านายบวชอยู่ได้ทั้งสามภาษาแล้วก็สมก็ยกย่องสนับสนุนไปก็ทํางานได้สะดวกไปนี่คือตัวอย่างที่เราเห็นว่าเนี่ย มันรู้สึกเป็นเรากับพวกเราตัวนี้ทําง่ายหน่อยนะครับพ่อพี่กับน้องทําง่ายหน่อยแต่ว่าแล้วก็ต้องดูความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าส่งเสริมสนับสนุนใครก็ว่ากันไปเรื่อยนี่ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าไม่มีมุติตาจากพระไทยในขณะนั้นการส่งเสริมสนับสนุนก็ไม่เกิดขึ้นแล้วในที่สุดเราอาจจะไม่ได้ท่านไว้ในภาษศาสนาก็ได้ อันแนวความคิดเหล่านี้ที่จริงมันเป็นธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรร ม, มไม่ใช่แนวความคิดนะเกิดว่าเหตุการณ์เหล่าเนี้ยมันเป็นธรรมะที่เป็นรู ป, ปรธรรมอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างเห็นว่าถ้าเราเมตตาอ่อนแล้วพอถึงการุณากับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมุติตาเนี่ยจะเกิดยากเพราะคนเรามีริษยาแล้วก็ทนไม่ค่อยได้นะฮะยิ่งคนใกล้ชิดกับตัวเองเพื่อนทํางานมาด้วยกันจบมาด้วยกันได้แต่ดแล้วเพื่อนก้าวหน้าไปเนี่ย มริษยามันไปนเล่นงานออกกับคนใกล้ชิดนะใกล้ชิดตัวเองเพราะงั้นไม่ตาจึงต้องมีอนุภาพสูงอุเบกขาท่านจึงบอกว่ามีสัตว์ที่ประสบความเจริญก้าวหน้าเป็นอารมณ์นี่ก็คือฐานสำคัญที่จะก้าวไปสู่อุเบกขาประเภทพรหมวิหารุเบกขาท่้งฝั่งทั้งหลายใตร่มประโพธยาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาพิรุณนี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบุ์ในธรรมจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี